อารมณ์คนโทาะเจริแเราก็มีพูมวิหารสีว่ากัสินสีไม่แ ก, ก่กัสินสีเขียวสีเหลืองสีดาวสีสีแดงสีผาวอย่างใดอย่างหนึ่งไปจำใจยอยู่เป็นปกติความโกรธมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้นี่ความลหลงนวิตตกตัดสินใจในเด็กขาดเราก็ใช้อนาปานุสติกมาถังขึ้นจับอรมณ์อยู่เสมอ แล้วมันจะมีความหลงตรงไหนถ้าเราพัทธาไทยก็เราเกิดขึ้นเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าทำความดีอย่างเรวที่สุดเราก็ไปสวรรค์อย่างดีขึ้นมาหน่อยเราก็ไปพมทธโลกดีที่สุดเราไป น, นิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่เราสร้างนั้นให้ผลความสุขในชาติปัจจุบันจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุข จะนั่งก็เป็นสุขจะน้อยก็เป็นสุขจะเดินก็เป็นสุขเป็นสุขเพราะน่ายความดีที่เราทําเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใจเปนศรัทธาจริตเราศรัทธาจริตเกิดขึ้นคือจิตประกอบเป็นด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จตั้งสมมาสพุธเจ้าเราทํำยังไง เราก็ใช้นุัตติหกอย่างใดอย่างหนึ่งคือพุทธานุสตตินึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมา น, นุัตตินึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุัตตินึกถึงคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์เทวานุัตตินึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์คือเราเอาความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ของเทวดาเข้ า, ข า, า, า ม, มาใช้ในใจของเรา ไม่เห็นล็กสรงเดชค้นคว้าหาความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆของเทวดาว่าท่านทำยังไงถึงเป็นพระพุทธเจ้าทำอะไ ร, ร, ร, ะ ร, ะรงไงถึงเรียกว่าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติไปยังไงจเรียกว่าการสงฆ์สงฆ์อย่างเราเนี่ไม่แนนะ่นักต้องตั้งแต่พระโสดาบันตื่นไปแล้วท่านทำยังไงถึงได้เป็นสทวดา แล้วก็มีจาการนุกสตินึกเพื่อผานการบริจาคเป็นปกติศียลานึกสตินึกถพื่อสินเป็นอารมณ์มีสัศนธาเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ควบคุกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตอันนี้เป็นสําคัญถ้าความโกรงใจความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นความโง่ไม่ปรากฏมีความสลาดเปลี่ยมปรารมีความเข้าใจง่ายจิตใจสบายมีอารมณ์พุ่งแรงต้องการผลิพัน องสมเด็จพระพิชิตธรรมายก็ส่งแ น, นะนําว่ากรรมฐานประจําของเรามีอยู่สีมม่มมมอย่างขึ้นหนึ่งมรณานนสติกรมฐานนั่นความตายเป็นอารมณ์แล้วสองจะดูธาตุวรถมฐานสี่เห็นรูาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอาหารบริกรในสัญญาเห็นว่าอาหารทั้งหมดเป็นของที่ตกประง ไม่น่าจะจไม่นาหลงในรถแล้วอุปสมานสตินนถึงท่านผ่านเป็นอารมณ์เราทำทั้งหมดถ้าจิตของเรามีอารมณ์ครบอย่างนี้ทั้งหมดหาสะเลวไม่ได้หาเนรเลวไม่ได้เห็นหาฆราวาดเลวไม่ได้ว่าจริงเรื่องนี้มี น, นาสีคู่มาปฏิบัติธรมฐ า, านอยู่แล้ว คนที่สร้างความเร็วพระที่สร้างความเร็วเนรที่สร้างความเร็วไม่ตั้งตัวอยู่ในระเบียบที่ไหนคนข้อบังคับก็สแสดงว่าไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยสแสดงว่าท่านผู้นั้นพอใจที่จะไปอาบายอยูมิซึ่งไม่มีใครสามารถจะขัดข้องได้นี่การปฏิบัติราธรรมฐานง่ายเข้าที่จุดหมายกลายทางได้ดีนี่เอาตามนี้ก็ปฏิบัติกัน ในชาติปัจจุบันนี้ที่เขาได้ดีเป็นพระอรหันต์ไปหลายองค์แล้วนั่นก็คือแค่รมจับจุดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาให้มั่นคงถ้ารมของเรายังอ่อนอยู่เราก็คิดว่าเราจะเป็นสทวดาได้ถ้าเราตายจากชาตินี้แล้วเราต้องเป็นสทวดา เรื่เราจะมาเกิดเป็นคนและเกิดเป็นสัตว์นรกใหม่นี่มันเร็วเกินไปเราเป็นเทวดาเราจะทำยังไงแล้วก็ดูที่เทวดาเนี่ยเขาทำยังไงที่เป็นเทวดาเรากสีก็มีแล้วเทวดาก็มีคุณธรรมสองประ ก, การคือฮีริและอุตตปัตฮีริความอายต่อความชั่ว โอตระกลัวผลของความชั่วเป็นอันว่าไม่ทําความชั่วมันเส้นเลยทุกอย่างแต่ว่ากําลังใจ ย, ยังเบาอยู่แค่กามาวาจรยังไม่มีอารมณ์เป็นเอสคตารมณ์ในได้ฌานสมาบัติเราไม่ทําความชั่วทุกอย่างความชั่วจําไว้นะถ้าอะไรก็ตามที่ทําแล้วคนอื่นเขาต้องเตือนนั่นคือความชั่ว นี่นะั่นรู้ให้รู้ตัวว่าทาอะไรลงไปก็าตามถ้าทำแล้วคนหนึ่ก็ตก้องเตือนว่านั่นมันไม่ดีนั่นแหะคือความชั่วอย่าไปวองดูตัวอย่าไปหลงตัวเราเป็นคนเลดบวชมานานแล้วเกิดมานานแล้วดีพอถ้าดีจริงๆไม่ต้องมีใครเขาเกิดนนี่ความชั่วทั้งหมดเรามันทำได้ไหมทำไม่ได้แตเราอายนี่ อาชั่วแล้วกลัวคนเขาความชั่วเนี่เราไม่ทําความชั่วทั้งหมดเราเป็นเทวดาเกาะเทวดาให้มันติดให้จิตมันติดโดยเฉพาะลงเทวดาเท่านั้นความชั่วไม่ทําแล้วตั้งใจจะเป็นเทวดาให้ได้อันนี้เราเมาเป็นเทวดาได้แล้วเป็นยังไงล่ะถ้าคนเขาได้เปียโ ต, โต่เปรียวปี๋ปี๋ใหญ่เข้าเห็นเลยเห็นปั๊บเราข้างล่างกายภายในเป็นเทวดา ในี่ใจของเาเองถ้าเราไม่ได้เจโรรเตวปฏิญาณเราจะรู้ยังไงว่าเราจะเป็นชวาดาได้ไม่เป็นหรือเป็นไม่ได้ดูกําลังใจของเราความดีทุกอย่างทุกส่วนทําหมดได้ปลายปดว่าโอ้โหมันเต็มตื้นไปด้วยกําลังใจเพราะมูลบริบทไม่มีอะไรที่จะขัดขวางกาลังใจแม้แต่นิดเกี่ยว ทำทุกอย่างครบพ้นทำแบบสบายๆขึ้นเจียวความดีทำคล่องความชั่วทำไม่ได้ที่พระพุทธเจ้ายัางกล่าวว่าคนดีนะสร้างความดีได้แบบสบายเพราะไม่มีการฝืนใจแต่คนชั่วทำความดีไม่ได้มันขัดใจมันแยนใจมันมีความมีขั้นอยู่ในใจเป็นปกติไม่เห็นใครเขสั่งให้ทำความดีที่มันหนักใจเหลือเกินนี่เป็นอารมณ์ของคนชั่ว แต่ ว, ว่าอมอย่างนี้ไม่มีจ mm ิตใจพอใจในความดีแค่ดีสูงดีต่ำดีขนาดไหนก็ตามถ้าใครก็แนะนําไม่ได้ใองความดีเราพอใจทําด้วยความเต็มใจแล้วจิตใจมันชุ่มชื่นเต็มเราอย่างนี้ว่าชื่อว่าเราเป็นเทวดาได้แน่ใจสบายถ้าเราโม้เทวดามันเต็มปรามีส่วนนี้มันเต็มไม่เกิดเบื่อเทวดาทำไมไม่ต้องกลัวมันจะติดแค่เทวดาเทวดาก็ให้ได้เป็นเ ไม่เกิดเบื่อความเป็นชวรันดามันก็อยากจะไปเป็นลมตัวนี้มันไม่ยากแล้วก็มีรมจับอย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐานนี่กล่ามแล้วเพื่อเป็นเอกาตาตอนนี้มันเบาแล้วเนี่ยเพราะผาพื้นความดีมันเต็มที่แล้วทิ้งทิ้งหยุดจิตเค่เพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นจากจุดนั้นเป็นรมจิตเข้าสู่ฌานสมาบัติแค่นี้เราก็เป็นชัวร์เราก็เป็นลมได้แล้ว ใ, ใจมันยะเกาะ อ, อยู่แค่ผมพอใจในผมเวียนไหวแต่เกิหมุนไปหมุนมาในเขตของผมจิตมันต้องการแบบนั้นถ้าการทรงฌานเต็มที่ถึงฌานสี่สมมาบัตเกิดแต่ไม่ไม่ถึงฌานสี่ก็ตามเพราะเวลามีส่วนนี้มันเต็มมันจะเกิดการเบื่อผมต้องการผลิพานตอนนี้ละบรรดาทุกท่าน อารมณ์แหงมรณานุสติกรรมฐ า, านจค่ทุธารฐานสีย่าห้าริบริกรสัญญาอุปสมานุสติกรรมฐานคือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มันจะเกิดขึ้นกับใจของเราเองเป็น ต, ตัวปัญญาและอารมณ์ที่จะตัดคั้นห้ามันจะเกิดขึ้นแบบสบายๆตอนนี้อารมณ์มันง่ายมนง่ายมากเพราะว่าความเต็มในกอนซองระดับปณิแลเต็มจนลน้ลนลน้ลนมแล้วนี่เขาก็ไปนิพพาน นี่การเจริญนายขันห้าการเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดามันเป็นปกติความทุกข์ใจไม่มีมันมีอารมีอย่างเดีย ว, ว่าขันห้าของเราสันหลายตัวไม่มาไรไมันได้มาอไรเรามีความดีมีความสบายเมื่อนั้นอารามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้รู้สึกว่จะพูดยาวไปแต่ว่าเพื่อประโยชน์บรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะว่าห็นความบกต้องในจิตเของวิสุทธิสมณเลนและก็ครวญอาจจะมีอยู่บ้าแต่ส่วนสําคัญที่สุดสมณเลนนี่มีความสําคัญมากต้องระวังจิตให้หนักพราะว่าเราเป็นปูชนียบุคคลเราจะต้องทําตนให้เหนือกับครวญมาเข็นเหนือนไปเอาทะนงตัวไปเบ่งเลยเขาไม่ใช่อย่างนั้น ทังกิจให้สูงกว่ากระวายควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวให้รู้ตัวว่าคำว่าพระเขาแปลว่าประเสริฐประเสริฐแปลว่าดีไม่มีที่ติสาณะเขาแปลว่าสงบคือสงบจากความชั่วอย่าฝ่าฝืนประเพนีอย่าป่าฝืนระเบียบจะป่าฝืนกดข้อบังคับข้อหมู่คณะอย่าป่าฝืนพระวินัยอย่าป่าฝืนพระธรรมญาติปกครองคณะสงฆ์ อย่าทำตนหึงกับตัวเกินไปอะไรก็ตามจงอย่าทำให้ไว้ให้ทรงไว้แต่ความดีไม่ต้องให้สาบ้านเขาเตือนถ้าเรามีคนเตือนนราเมืไรจะรู้ว่าเราดีไม่พอตรงนี้มันยากปัญดาเทวตวีชาติมาถึงจุดนี้แล้วอาบายภูมิก็มาถึงตัวอ่เาเวลานี้ก็พอสมควรจะเวลาแล้วดูดิ จะเล่าถึงประวัติของพระนงศึกเล็กน้อยเพราะท่านเป็นก็เป็นพาะอาจารย์ที่ควรจะรู้เหมือนกันว่าสมัยก่อนมีพระ ด, ดีมากไม่เคยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ดีกันแค่า ป, ปากปากออ ย, ย่างแข้งก็เหมือนกันนะแก็ดีแค่าปากไอ้ส่วนจิตใจร่างกายอะไรแต่มันไม่ดีอะร่างกายที่ใครเขาเขาคิดว่าดีมันทีเขาเข้าใจผิดไอ้แข้งว่าเก่งแค่ปากนะพูดให้ฟังได้ แล้การทํามันก็แย่เหมือนกันเาแย่เหมือนเหมือนกับพระอื่น ๆ, ๆเขาในสมัยนี้นะจะเข้าใจว่าฉันดีที่เสียแต่เข้าใจผิดฉันมีดีอยู่อย่างเดียวจําตําราจําขีปากครูบาอาจารย์มาพูดในหนึ่งหลายฟังใครฟังแล้วก็นึกว่าฉันเป็นนักจําก็แล้วกันเยนนึกว่าฉันเป็นนักปฏิบัติที่ได้มักได้ผาลอะไรจะเข้าใจผิดจะลหลงไหลเปล่า สําหรับหลวงพ่อหน่งนี้ประวัติเดิมของท่านเป็นพระที่ไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรมากรู้หนังสือพอเขียนได้อ่านออกเมื่อท่านเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพอ บ, บวชแล้วได้อยู่วัดที่บรรหนาวัดรรษาหนึ่งท่านก็เข้าไปกรุงเทพพอปฏิวัตดโพธาเตียนพอบรากรว่านายชายขอยงท่านองค์หนึ่ง เป็นปรีงเก้าประโยคก็ก็เป็นพระราชาคณะที่เขาเรียกกราว่าท่านเจ้าคุณเมื่อท่านไปถึงท่านนาชายท่านาชายก็ถามว่าคุณจะมาทําไมบอกว่าอยากจะมาเรียนหนังสือครับการนาชายก็ดีออกดีใจว่าหลานจะเป็นนักเรียนมีความสนใจในพระพุทธศาสนาก็เลยรับปากว่าถ้าอยงั้นก็อยู่กับลงหน้าเถิด เรื่องอาหารการบริโภคความเป็นอยู่ทุกอย่างลหลวงน้าจะสงเคราะห์ถ้าจะเรียนอะไรหลวหน้าจะสอนทุกอย่างจนทั้งถึงประโยคนเก้าท่านฟังแ ล, ล้วหลวงนาอธิบายใอันนี้สงการศึกษาก็พอใจอี่ตอนหนึ่งท่านคิดขึ้นมายังไงไม่าบท่านถามหลวหน้าครับถ้าที่เรียนถึงประโยคนเก้าแล้วก็เป็นเจ้าคุณอย่างหลวหน้าเนี่ย สำเม็จอะไรบรรลุมรรคผลได้ไหมครับไยกิเลสได้หมดหอย่างครับหลุงหน้าท่านพอได้ยินอย่างนั้นท่านไม่ตอบท่านบอกว่าหนงเดินเข้าไปในโกติฉันดถ้าก็เดินเข้าไปในโกติปรากฏว่าเข้าของของท่านเต็มไปหมดของที่มีค่ามากๆแล้วก็เดินออกมาท่านก็เลยถามว่าหนงเห็นอะไรบ้างบอกเห็นครับ เป็นอะไรต่ออะไรก็ตามอธิบายตามของที่เห็นมาของมีตักขามากถาว่าของเหล่านี้เป็นของลุงหน้าหร้อของใครครับก็บอกลุงหน้าก็เลยตอว่อเป็นของของฉันแล้วท่านก็เลยบอกว่าน้องละที่ละอะไรได้แล้วนะสมบัติที่มีค่ามากไม่มีอย่างนี้มีฉันละอะไรไม่ได้ฉันยัง ม, มีสมบัติ ผมบ่นลงอลิยย้อนถามว่าพระที่เรียนถึงประโยคเก้าเป็นเจ้าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาลาหันเลคครับเขาบอกเปล่าไม่ได้เป็นเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมลากลับครับท่าหน้าถามว่าทําไมไม่เรียนหนังสือนะบอกไว้ดี น, นะครับเรียนนล้วมันเหนื่อยเปล่าเปล่าเรียนใช้เวลาตั้งหลายหลายปีตั้งสิบปีเขาจะเรียนจบข้าประโยค บางองค์ก็เรียนสิบปีกว่าแล้วก็ละมักได้มักผลอะไรก็ไม่ได้ละกิเลสไม่ได้เสียเวลาเปล่าพอที่สุดมาลุกขึ้นในเวลากลับอะไรที่ท่านลากลับเพราะอะไรเพราะในสมัยนั้นพระที่เขาเข้ามาบวชแล้วเขาจเริงกรรมฐ า, านกันไม่ใช่ว่าเป็นพระไม่ว่างในสมัยนี้สมัยนี้บางทีปาตกระถาสอนใครสอนใครได้แ ต, แต่งเยอะแยะแล้วก็ไปถามเขา่าบางองค์ก็ออกทางวิทยุทุกวัน มีคนไปถามเขาว่าท่านเจริญกรรมฐ า, านได้อันดับไหนครับท่านก็ตอบว่าไม่มีเวลาเรื่องเจริญกรรมฐ า, านอาตมาไม่มีเวลาที่ยวปาตกระถาก็ยังหมกคนคว้าตำรับตลาจนไม่มีเวลาเจริญกรรมฐ า, านนี่เป็นอย่านไปซ ะ, ะอีกแต่ว่าท่านแต่ว่าสมัยเก่านั้นเข้ามาอย่างนั้นมาบวชเข้ามาแล้วเมื่อสวดท่องถือสวดมนต์ได้เรื่องขณะที่กําลังท่องอยู่นั่นแหละ ก็ต้องเจริญกรรมฐานเพ่าให้เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระอันนี้มีความสำคัญมากคนสมัยนี้ไม่เคยสนใจว่าท่านกลับมาท่านยึงได้กลับมาวัดมาปฏิบัติเพื่อบรรลุนี่ท่านเล่าให้หมวป่ปานฟังเมื่อกลับมาแล้วท่านก็ไปนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ชายวัดศึกในประช้าแห่งหนึ่งที่ตรงนั้นน่าสะเจน ก็ดูแรงที่อื่นเป็นหัวแหงแตกดินแตกแต่ที่ตรงนั้นเป็นน้ําชุ่มอยู่เสมอวันหนึ่งที่ท่านกาลังเจริญกรรมฐานอยู่นั้นเห็นเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งลูกกลางสวยงามมากมายืนอยูขณะท่านบอกว่าคุณหลวงตรงที่น้ําชุ่มเป็นดินชุ่มอยู่ตรงนี้มีพระบระมส า, ารีริกธาตุเป็นขันต้องคําใหญ่มีน้ําแล้วเป็นเรือสาําเพา เราไม่น้อยลอยอยู่ในขันแล้วมีเป็นมันดบแล้วมันดบจะมีพระบระมสารีริกธาตุเธอจงสร้างวิหารทับตรงนี้เสยบรรดาประชาชนคุนทั้งหลายจะได้ไม่เดินผ่านไปผ่านมาพอเดินผ่านไปผ่านมามันก็เป็นโทษเพราะไม่เคารพในพระราชน้ำใจไอ้โทษที่เขาจะเป็นก็เป็นโทษถึงการไม่รู้พระพุทโธงก็ถามว่า ผมจะสร้างได้ยังไงครับผมต้องบวชได้เป็นษาเดียวเข้าสองพรรษาพรรษานี้จะเป็นลาะเด็กแล้วบอกไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เวลาฉันข้าวก็เป็นวันพระพูดพูดกันอะไรกันชาวบ้านเขาช่วยเองถ้านก็รับคําถ้าก็พูดไปพอฉันข้าวเวลาพระฉันข้าวคนก็มาทําบุญมากๆท่านก็บอกว่าอย่าอย่าสร้างวิหารสักทีหนึ่งสําหรับเจริญกรรมฐ า, าน ในป่ายชาตอนที่ท่านไปทํากรรมฐานนั้นพระผู้เข้าสนันคนทั้งสลาเขารับคําพากันไปหาไม้ไปหาอิฐหาปูนหาอะไรต่อมาจนเสร็จช่วยกันทํามีหานั้นจนเสร็จเรียบร้อยปีหนึ่งเสร็จเมื่อปีหนึ่งผ่านไปแล้วเสร็จปรากฏว่าฉันไปดูมันกันมีหานังนั้นก็บดแล้วดีๆสร้างหลังใหญ่สวยงามอยากจะพาคนฟังไปดูแต่ว่าไปลําบากเล็กน้อย มันอยู่ในโดมอยู่ในดอนมากไปขึ้นเดี๋ยวนี้รถก็ยังไปไม่ถึงรถไปแค่ถึงอำเภอสองพี่น้องเท่านั้นถ้าเราต้องเดินอีกสองชั่วโมงรึจะไปแย่เหมือนกันถ้าจะไปเราต้องไปดูมีน้ําเมื่อสร้างวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระท่านก็ไปเจริญกรรมาฐานที่นั่นพระก็มาบอกให้ให้ปั่นพระพุทธรูปองค์พระก็บอกจะหาช่างที่ไหน เจ้นั่นบอกววันทุ่งนี้เธอจึงทุดงไปจังหวัดอยุธยาตอนนั้นเขาเรียกเมืองกรุงเก่าโบ้ให้ทุดงไปที่กรุงเก่าไปถึงวัดหลังวัดปรอดูทรงธรรมไปปักกลดที่นั่นถ้าตาคนไหนถือขันข้าวหนองเขาของเขาถือขันข้าวมาแต่เช้ามาก่อนเพืนให้บอกคนนั้นนะคนนั้นเป็นช่างฟันครับเอาท่านก็ปฏิบัติการนั้นลุงคนเช้าก็สมาทานทุดงแบกกรด ไปหลังจังหวัดอุทยายพอตอนรุ่งเช้ามีคนลุ่งเขาห่มเขาเป็นคนเนื้อายุมากแล้วถือขึ้นข้าวลูกเดียวไม่มีกลับไม่มีเกับมาใส่บาตรท่านพัทบุญพราะท่านเห็นข้าวท่านก็ บ, บอกมีความประสงค์บอกว่าจะประปันพระพุทธรูปตัวองค์ช่างเขาก็รับคําพอรับคาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ลืมบอกวัดบอกสถานที่อยู่ พอแข่งข้าวเสร็จท่านกถ็ถอนขนถอนกดกลับบอกจะบ้านลากลับพอกลับมาถึงวัดนึกในใจบอกเอาตายจริงเราลืมบอกช่างไปได้ว่าวัดเราอยู่ที่ไหนช่างจะมาถูกแล้วไม่ถูกก็ไม่ถูกพอนึกอยู่ว่าเดี๋ยวเดียวช่างก็ไปถึงพ้อมไม่ลูกน้องเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จใส่เกียนไปพอไปถึงรู้ว่าท่านจะปั้นพระที่ไหนเขาก็ลงมือปั้นพระทันที เมื่อปันป่นพระเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างกลับหมดค่าจ้างยังไม่ได้รับค่าจ้างยังไม่ได้ว่ากันไม่ได้ลาตัวเลยกลับเฉย ตอนเชา้าคนเขามาต่าบุญก็ถามหาช่างว่าช่างคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาถามว่าใครบอกก็ให้จำได้ไมาบอ ก, กตอนที่ฉันมาปากกฏดครั้งแรกคนที่นุ่งขาวห่มขาถือขันข้าวลูกเดียวมาใส่บาทคนนั้นเขาไปทำปลาฉันฉันเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันยีงไม่ได้ให้ ร, าจารัจ้างเขาฉันอยากจะให้ ร, าจารัจ้างเขาชาวบ้านก็บอกว่า คนนั้นไม่ใช่คนบ้านนี้ครับผมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพิ่เห็นแค่ครั้งแ้กครั้งเดียวต่อไปนะก็ไม่เห็นอีกเลยเป็นั้นว่าท่านก็ไม่ได้ให้ข้าจ้างช่างเลยสงสัยว่าช่างคนนั้นจะไม่ใช่คนธรรมดาอาจจะเป็นเทวดาซะก็ได้นี่เป็นข้อสงสัย แลว้วหลวงพ่อหลงเองถ้าก็คงจะไม่ได้วิจัย่าคคนนั่นจะเป็นมนุษย์ธรรมดาพรเทวดาตาธรรมดาเราพวกเราทาไม่มีการสงสัยอยู่ก่อนย่อมไม่วิจัยเพราะตาธมธรรมดาจิตที่มีความรู้ในประการฐานจะวิจัยจะใช้ต่อเมื่อความจาเป็นเท่านั้นคนที่รู้อะไรทั้งหมดทุกประการทุกขณะก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียว ถ้ราหันทั้งหลายแม้แต่ว่ามหากระสุนเป็นสาวกผู้ใหญ่ก็ยังเสียท่าเทวดาเทวดาเข้ามาจัดสถานที่ให้ตั้งสามวันไม่รู้ว่าใครทั้งทั้นที่ทั้งเองท่านก็ได้อภิญญาสมาบัติเป็นพระปฏิสัมมิทายานมีจิตเป็นทิพต์ต่อมาวันหลังท่านจึงรู้มในเมื่อท่านสงสัยเข้าท่านจึงได้พิจารณาด้วยจิตทำเป็นทิพย์จึงได้รู้ว่าคนนี้เป็นเทวดา นี่หลวงพ่อนงกุมเหมือนกันหรือว่าพระองค์อื่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีจิตสงสัยก็คิดเหมือนว่าเขาเป็นคนคิดว่าเขาเป็นคนก็เลยไม่สงสัยว่าเป็นเทวดาเพราเทวาดาอะไรจะมารับปัน่นกะเขาจะคิดอย่างนั้นท่านบอกกับหลวงพ่อไปว่าเป็นอนุโมไม่ได้ให้ค่าจ้างช่างตอนนี้อีกอย่างหนึ่งความสิ่งพิเศษของหลวงพ่อหลวงพ่อหน่ก็ว่าท่านถือตุดงบินดบาบ รับบาตเฉพาะเวลาเดินไปเวลาเดินกลับไม่รับบาตนี่ถือทุดองอันนี้เป็นปกติจะรับทางเดียวเฉพาะขาไปใครก็ใส่บาตรกี่เจ้าก็ตามท่านก็กลับมาวัดขากลับใครจะเรียกใครท่านก็ไม่ยอมรับเมื่อเวลามันได้ยมผู้หญิงท่านแก่โยมผู้ชายตายไปแล้วยมผู้หญิงท่านแก่ท่านเอาไปเลี้ยงไว้ที่วัด เมื่อท่านได้อาหารมาท่านก็ไปแบ่งให้โยมบริโภคพอโยมกินข้าวเสร็จถ้าท่านฉันข้าวเสร็จท่านก็เทศโปรดโยมกันหนึ่งทำท่านที่ท่านไม่เคยเรีนนักธรรมไม้เคยมาเลยในถานลุงพ่อปานมันพ่หนุ่งเทศได้ยังไงท่านบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุพระเดชจีนะำมองในหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงโปรด ถา้าพระพระบอก ok ให้เทศจะอย่าเงเงี้ยเทศพระบอก ok ให้ทำลายจะอย่างเงี้ยทำก่อนอะไรก็ตามแล้วใครก็มาในมณไปเทศแลมาในมณฑปไปตามไปไหนก็ตามถ้าบอ ok กเดี๋ยวถามพระก่อนแล้วก็ท่านเขาไปนั่งสมาธิในห้องแล้วองสมาธิของท่านในห้องกัแล้วก็กลับออกมา ถ, าถา้าท่านบอกว่าพระท่านบอกว่าไปไม่ได้ทำไมไม่รับแล้วพระ บ, ร บ, บอกว่าเทศไม่ได้ทําไมรับถ้าบอกพระบอกว่าไปเถอะแล้วก็ท่านรับ ต้บอกวต้องอาศัยพระนี่เป็นสิ่งพิเศษ ส, สำหรับพระในสมัยโบราณมีเรื่องปรากฏในครั้งหนึ่งในสมัยที่เจ้าคุณที่มลธรรมเฮงคนอุไทยนี่เองเป็นเจ้านณามณฑลอยู่ที่วัดวัดมหาธาตุในกรุงเทพครั้งหนึ่งที่วัดบานสะแกมเ พ, พื่อสมบิน้องเขาจะ ฝังลู่นิมิตก็กําหนดจะเรียบร้อยแล้วว่าวันไหนเป็นวันฝังนิมิตเป็นวันสวจนิมิตแล้วว่าในจํานวนพระที่ถูกนิมนต์ก็มีนลวงพ่อหน่งอยู่องค์นึงเจ้าคุณพิมลตาเจ้ า, จาคุณพิมลธรรมขาโทษสมัยหลังถ้าเป็นสมเด็จสุดท่ายแก่สมเด็จวรนรัตสมเด็จบรนรัตก็ไปตามกําหนด แต่ก็ปลากว่าถึงวันนัด จ, จริงๆหลวงพ่อหนองไม่ยอมมาท่านสมเด็จวรนลรัต ก, ก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อหนองยังไม่มาพวกเราก็ยังทําไม่ได้นี่สมเด็จวันลรัตองค์นี้ก็รู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีมีดีอยู่มากเหมือนกันหมายความว่าท่านไม่ถือในตําแหน่งที่ในฐานะที่ท่านเป็นสมเด็จและไม่ถือว่าท่านเป็นเจ้าคณะมณฑล ทัางๆที่หลวงพ่อหนงเป็นในเพียงเจ้าอาวาธรรมด า, าแต่ว่าเป็นพระที่ชาวบ้านยอมรับนับถือว่าเป็นพระผู้ทรงคุณความดีมากเมื่อหลวงพ่อหนงยังไม่มาตามวันกนําหนดรัดท่านก็บอกว่าท้ายานั้นเราต้องงดไว้ก่อนรอจรึงกว่าหลวงพ่อหนงจะมาเมื่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อหนงก็มาแต่เช้าทางสมเด็จวานรัตน์ก็ถามว่านงหลวงพ่อมาวานี้ทำไม จ, จึงไม่มา ฉันก็ลยบอกว่ามาไม่ได้พระไม่มาเพราะว่าวิธีกรรมที่กําหนดไว้นั้นพระท่านบอกว่าทำไม่ถูกทําผิดถ้าทําแล้วว่าสีมาเสียไม่เป็นโบททําสังฆ ก, กรรมไม่ได้สมเด็จบรรลัตเจียนถามต่อไปว่าพระท่านสั่งให้ทํำยังไงท่านก็บอกตามที่พระสั่งแล้วสมเด็จบรกกรลัตกรอลมตามนี่สแสดงเรื่องความดีของสมเด็จบรรลัตเจียน ที่ท่านไม่ฝืนไม่ถือว่าท่านเป็นคนมียศสูงมีตาแหน่งสู ง, ปงเป็นผู้บังคับบัญชายัถือว่าธรรมะเป็นสำคัญในพระโ บ, บราณท่านมีดีอย่างนี้เอาล้วสำหรับเรื่องของอาจารย์ของพ่อปันเนะี่ยก็จะระงับไว้เพียงนี้นะความจริงนะครูบาอาจารย์ท่านมีอยู่อีกที่นำมาพูดมาให้ฟังก็หมายความว่าพระที่มีบุญบรารมีตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น คนที่มีบารมีมาเกิดย่อมจะพบคนที่บรรลุมรรคผลถ้าจะได้ครูบาอาจารย์ก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าปรารถนะาฌานสมาบัติก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีฌานสมาบัติจริงๆถ้าอยากได้มรรคผลก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ทได้มรรคได้ผลจริงๆเพราะมีบารมีเดิมส่งเสรมิม ไอ้คำว่าบารมีนี่หมายความเราทําให้เต็มในความดีมาแล้วความดีส่วนใดส่วนหนึ่งทุกอย่างในสิบประการถ้าเต็มครบเ้วนบริบูรณ์ถ้าอยพบครูบาอาจารย์ก็พ บ, บไม่ปิด <c oughs> ซึ่งมันมีคติกลมกันข้ามกับคนที่มีบารมียังไม่สมควรไม่ควรกับการบรรลุมรุญใดๆแต่แม้แต่ฌานโลกีถ้าอยพบครูบาอาจารย์ที่จะสอ สมาธิหรือวิปัสสนาอย่างก็ไปพบประเภททีเด็กว่าชุกเอาเผากินผู้รู้บ้างเล็กๆ น, น้อยๆไอ้ตัวเองก็ยังไม่ได้อะไรแต่ก็อยากจะเป็นครูบาอาจารย์เขาตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์สอนไปตามความเห็นตามความขาเขพอใจของตนเองมันก็อาจจะผิดพลาไปบ้างบ้างบางทีก็ไม่บ้างแล้วไอ้ตัวไม่ได้นี่ ถ้าสิ่งไรที่เกินวิสัยที่ตัวไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็ถ้าพระูกสิษย์ไปได้ไปถึงเข้าก็อาจจะคายค้านว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ควร <c oughs> แล้อว่าอาจจะเห็นว่าถาราลูกศิษย์ทำอะไรได้เพียงเล็กเ็กน่อยๆ้อยนิดนิดหน่อยหน่อ ย, ก, อ ย, อยก็อาจจะเข้าจอาจจะคิดว่านี่ลูกศิษย์บรรลุมรรคผลแล้วจบเพียงแค่นั้นนี่เป็นการทําลายความดีของลูกศิษ์ข้อ น, นี้เขาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ถ้ามีความสนใจในสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเพื่อฌานสมาบัติหรือเพื่อมรรคผลใดๆก็จงพยายามสอดสอ่องค้นคว้าดูอาจารย์ซะก่อนถ้าอาจารย์ได้มรรคได้ผลถ้าเรปรารถนามรรผลก็ไปปฏิบัติกับอาจารย์ที่ได้มรรคได้ผลถ้าหาอาจารย์ที่ได้ฌ า, า, า, า, านโลกี ยังให้ได้ฌานสมาบัติเป็นอันดับต้นเสียก่อนอย่างน้อยที่สุดแล้วก็จะยับยั้งชั่งอยู่เพียงแค่ขุมมโลกอย่างนี้ก็เป็นความดีสําหรับความดีขั้นสวรรค์กามาวาจรนท่าไม่จําเป็นต้องดิน้นทนอะไรเราใส่บาตรแล้วเราให้ทานหรือทําบุญไว้พระแล้วก็มีโอกาสได้อยู่แล้วแต่ว่ากรรมฐ า, านที่เพึงปฏิบัติอย่างน้อยมันจะต้องได้มรรคผลอย่างต่ำที่สุดก็ฌานโลกีนั่นแหละเป็นการสงควร เพืขอบันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้ามีความสนใจอย่างนี้ก็จงแสวงหากฏตามเนี้เรว่าหาอาจารย์ที่เขาได้ที่เขาถึงที่เขาทำเป็นเขาทำได้จริงจะสงควรแกกันมานพยายามอุตสาหาวิทยาบากปันมิฉช่นั้นแล้วท่านก็จะเหนื่อยเปล่าสาหรับเทปนี้ก็ข อ, อยุติเพียงเท่า น, นี้